วันนี้จะได้พูดถึงเรื่องสติในอิริยาบ ถ, ถาเป็นเรื่องแทรกเข้ามาไม่ใช่อนาปานสติแต่ต้องปฏิบัติ เรียกว่าปฏิบัติด้วยกันแล้วก็จะต้องรู้จักปฏิบัติไปตั้งแต่แรกตอนแรกๆจะไปพูดตอนสุดท้ายของอนาปานสติมันก็ก็ไม่ไม่ถูกเพราะเดี๋ยวนี้ต้องปฏิบัติแล้วคือการปฏิบัติอนาปานสตินั้น ทำในอิริยาบถนั่งแต่ที่จะนั่งอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ไหวผู้ปฏิบัติอนาปานาสติมันก็จะต้องเปลี่ยนอิริยาบถนี่จึงเป็นสิ่งที่ต้องรู้พร้อมกันอีกทางหนึ่งก็เป็น สิ่งที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำแม้ว่าไม่ได้ปฏิบัติอานาปานาสติแต่เดี๋ยวนี้ปฏิบัติอนาปานาสติยังเป็นจะต้องเรียนอริยาบทจึงขอนำมาพูดเเลยในระหว่างที่ปฏิบัติอนาปานาสตินั่น มีการเปลี่ยนอิยาบทจากอย่างหนึ่งไปสู่อย่างหนึ่งก็ <c oughs> เพราะว่าเราจะนั่งอย่างเดียวไม่ไหวแล้วมันก็ต้องมีการเดินถ้าเป็นการปฏิบัติครบชุดตลอดเวลาทั้งวันนั้นมันก็ต้องมีการเดินยืนนั่งนอน <c oughs> นั่งปฏิบัติอนาปานสติทั้งวันมันก็ไม่ไหวมันก็ยังต้องเปลี่ยนด้วยการเดินสลับด้วยการเดิน <c oughs> เพื่อแก้ไขเหตุความหวยคบหรืออะไรก็าตามหลักใหญ่ของมันก็มีอยู่ว่ า, าจะต้องมีความรู้สึกตัว ัวพร้อมอย่างเดียวกันกับการกำหนดลมหายใจเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นการกำหนดที่อิริยาบถนั้นแล้วแต่ว่ากำลังอยู่ในอิริยาบถอะไรแล้วมันก็ยังขาบเกี่ยวไปถึงว่า จะดูธรรมะ Israeli, growers, บางอย่างพร้อมกันไปในขณะที่เปลี่ยนอิริยาบทเช่นความไม่เิียงเป็นต้นจะต้องฝึกความรู้สึกตัวทั้งก่อนแต่ที่จะเปลี่ยนแต่กำลังเปลี่ยนและแม่เปลี่ยนเสร็จแล้ว มานั่งอยู่จะเปลี่ยนเป็นลุกเฮ้ก็จะต้องรู้สึกตัวสมบูรณ์ก่อนที่จะจะลุกก็กำลังลุกอยู่และแม้แต่ลุกเสร็จแล้วก็เรียบร้อยรู้สึกตัวไม่ขาดตอนเช่นเดียวกับว่ากัดไม่ปล่อยเหมือนกันเลยย่าบทกำลังเป็นอย่างไรก็ติดตามไปตามย่าบทนั้นๆในลักษณะ มันก็วิ่งเหมือนก็วิ่งตามหรือกัดไม่ปล่อยนี่คือเกียร์อานาปานสติแม่ว่าจะเปลี่ยนอิรยาบทอย่างไรก็ไม่สูญเสียไปในส่วนอานาปานสติ แม่จะเปลี่ยนอิิยาบทอยู่หาสติในลมหายใจก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีสมาธินั่นมันก็มีเหลืออยู่ในลักษณะที่เป็นพ้น <c oughs> เปนความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกพ่อใจความรู้สึกส ง, งบอะไรก็ยังเหลืออยู่แม้ว่าจะได้เปลี่ยนอิยาบทแล้วอย่างที่ภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าแรงเฉื่อยหรือโมเมนตัมมันก็เหลือติดมาถึง อยาบทที่เปลี่ยนใหม่ก็ลังมีความสุขใจในอยาบทในอนาปานสติมันจะลุกขึ้นเดินมันก็ยังมีความรู้สึกเป็นสุขนั่นเหลือติดมาอยู่เรื่อยไป <c oughs> นี่เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่ารักษาไว้ได้รักษาไว้ได้ <c oughs> บาลีเรียก อย่างน่าสจัจนะเรียกว่าของทิพย์ของทิพย์ไปเลยเมื่อมีความรู้สึกที่เป็นฌานเป็นสมาธิเหลืออยู่เป็นแรงเชฉยนี่ถ้าเรามาเป็นอาญาบวเดินก็เรียกว่าที่เดินทิพย์จมจมทิพย์ถ้ามานั่งก็เป็นที่นั่งทิพย์ถ้ามานอนก็เป็นที่นอนทิพย์จะไปยืนก็เป็นที่ยืนทิพย์ เพราะในเวลานั้นมีไอเ้เรื่องของสมาธิผลของสมาธินั่นเหลืออยู่แล้วคนนั้นก็รักษาไว้ได้น่าจะมาเปลี่ยนเป็นอิริยาบดเดินแล้วก็รักษาไอ้ความรู้สึกเหล่านี้ไว้ได้นั่นก็เป็นการฝึกที่ดีเลิศที่ไม่ขาดตอนที่ไม่ขาดสาย ที่นี้เราก็มีเรื่องอิยาบทเป็นหลักมี <c oughs> อิยาบทที่เป็นหลักอย่างไรก็คือเดินยืนนั่งนอนเ <c oughs> ดินยืนนั่งนอน <c oughs> นอกนั่นก็ถือว่าเป็นติีกย่อยเช่ <c oughs> จนจะรับประทานจะฉันอาหารจะอาบน้ำจะพูด <c oughs> จะถ่ายจา ร, ราประสาวอะจะ แล้วแต่ว่ามันจะทำอิริยาบทอะไรการรักษาความรู้สึกที่เป็นสมาธินั้นไหวได้ดีที่สุดเลยกลายเป็นโลกทิพยปเล ท, ทั้งหมดกลายเป็นของทิบฮนะนี่จึงต้องรู้สำหรับเปลี่ยนอิริยาบทให้สำเร็จประโยชน์ ไม่ให้เป็นอันตรายแก่สิ่งที่กำลังปฏิบัติอยู่โดยเฉพาะคืออานาปานสตินั่นเองม <c oughs> ี่รู้ว่ามันคาบเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้ใ <c oughs> น, นทีนี้ก็จะพูดถึงก <c oughs> าเรเปลี่ยนการ ปฏิบัติในส่วนอริยาบทโดยเฉพาะโดยเฉพาะรู้เป็นหลักว่ายจะได้ใช้ปฏิบัติแทรกแสงเมื่อไรก็ได้ยังเราไปปฏิบัติที่สวนนอกแต่เราก็ยังต้องมีการเดินมาที่นี่นี่ จะต้องใช้วิธีของอดิยาบทเกี่ยวกับการเดินลอดเวลาที่มาที่นี่หรือไปที่ไหนก็ตาม <c oughs> เรื่องอธิยาบทโดยเฉพาะนั่นก็ว่ามีสติสัมปชัญญะ รู้สึกต่ออิธิาบาทนั่นๆโดยเฉพาะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวมันเองแล้วมันก็ยังเป็นประโยชน์ส่งเสริมแก่ธรรมะที่เนื้อขึ้นไปเนื้อขึ้นไป เช่นการรู้เรื่องอนิจจังทุกครั้งนัตตาเป็นต้นถ้าเรามีอริยบทถูกต้องตามหลักของปฏิบัติอริยบทมันก็เป็นการปฏิบัติสมบูรณ์ที่สุดอยู่อย่างหนึ่งอย่างนี้ขอบอกว่าไอหลักใหญ่ที่สุดนันคือว่า ไม่ว่าจะปฏิบัติอะไรเรื่องไหนที่ไหนอย่างไรก็ตามมันมุ่งหมายจะรู้เรื่องอนัตตาหาอนัตตานั่นเป็นหลักสําคัญเพราะวาตัดกิเลสดับทุกข์ได้เพราะการรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นไม่เราจะอยู่ในอิยาบทอะไรก็ไม่เสียโอกาสในการที่จะศึกษาเเรื่องอนัตตา น, นี่รู้ไว้เป็นหลักทั่วไปอย่างนี้ <c oughs> การรู้สึกอนับตาให้เป็นต้นนี่รู้สึกอยู่ทุกๆอิริยาบถหนึ่งๆและทุกๆส่วนย่อยหรือส่วนที่มันแยกออกไปของอิริยาบถนั้นๆ เช่นนียกว่าเดินอย่าง น, นี้มันก็เป็นอิรยาบดหนึ่งแต่อิรยาบดเดินเป็นต้นนี้อาจจะแยกได้เป็นส่วนส่วนส่วนส่วนแม้แต่ก้าวขาครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่แม้แต่ก้าวขาครั้งหนึ่งมันก็ยังมีแยกออกไปให้ละเอียดเช่นว่ารู้สึกว่าจะเดินรู้สึกว่ายกขาใอ้ยกขาขึ้นมา แล้วก็เสือกขาไปข้างหน้าแล้วก็จะเอาขาลงนี่มันก็จะเป็นสามจังหวะนะบางทีมันจะทำให้ละเอียดกว่านั้นก็ได้รู้สึกก็จะเดินเตรียมยกขายกขาขึ้นมายกขาขึ้นมาสุดแล้วก็เสือกไปข้างหน้าข้างไปๆๆๆแล้วสุดแล้วแล้วก็จะเตรียมจะลงแล้วให้ขาลงนี่ ระยะสันส้นๆๆั้ๆหลานี่เรียกว่าส่วนย่อยของอิยาบทที่เราแยกมันถ้ามีสติสมัมปชัญญะทุกๆุกส่วนย่อยมันก็เท่ากับรู้ทั้งหมดอะคือละเอียดทั้งหมดนี่ก็เป็นเคล็ดเปนเคล็ดเป็นอุบายที่จะทําให้เรียกว่าอะไรอัดกันอัดความรู้ เรื่องอนตตาเป็นต้นเข้าไปเต็มที่เต็มที่เลย <c oughs> มันกย้อมผ้าเมันยอมมันทุกเส้นได้บางทีจึงนะถึงที่สุด <c oughs> ที่นี่มีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจเป็นพิเศษน้อยก็คือเรื่องว่า มีคนคิดเรื่องหนอหนอขึ้นมาเนี่ยดีดีบางกนถทารุจักชใช่ไหมถ้าใช่ผิดก็เสียเรื่องหนอถ้าถ้าใช่ผิดก็เสียถ้ารู้ใช่ถูกก็จะมีประโยชน์ <c oughs> คือมันเป็นเรื่องเน้นเน้นเน้นเน้นด้วยความรู้สึกว่าหนอนะแต่มันมันต้องระวังว่าเน้น เน้นในทางมีตัวตนหรือเน้นในทางไม่มีตัวตน <c oughs> เดินหนอเดินหนออย่างนี้ไอคนที่ไม่รู้อะไรเน้นไปตามความรู้สึกา่ากูเดินหนอกูเดินหนอเดินหนอเดินหนอกลายเป็นกูเดินหนอกูเดินหนอนมันก็เน้นเน้นกูขึ้นไป ไปยึดมั่นในการเดินยึดมั่นในตัวกูผูดเดินหนออย่างนี้มันผิด <c oughs> อย่าสอนกันหยาบๆว่าเดินหนอเดินหนอะต้องอธิบายให้เข้าใจว่าไอ้หนาะเนนั้นมันแน่นความมีตัวตนหรือแน่นความยึดมั่นในสิ่งนั้นไอ้หนอที่ถูกต้องนั้นมันมาจากความรู้ที่รู้แล้วมันเป็นอะไร คือรู้ว่าเดินนี่เป็นเพียงอิริยาบทเคลื่อนไหวของร่างกายตามธรรมชาติไม่มีตัวกูผู้เดินไม่มีตัวกูผู้เดินนี่เลยก็จะเดินด้วยจิตว่างกนแไม่มีตัวกูผู้เดินรู้สึกแต่ว่ามันเป็นเพียงอิริยาบทอันหนึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติเท่านั้นหนอนี่ ทีนี้มันยังมันยาวนัก <c oughs> ก็เรียว่าสักว่าอิจฉาบทเดินเท่านั้นหนออสักว่าอิจฉาบทเดินเท่านั้นหนอไม่ใช่ว่ามีตัวกูไม่มีหรือตัวกูฟูเดินอะไรต่างนองนั่นแต่สักว่าเป็นอิจฉาบทเดินเท่านั้นหนออย่างนี้มันก็ยาวนักมันก็ยังยาวนักรถเดินหนอ ใหามันเดินหนอมาหมายความว่าสักว่าอิจาบ่เดินเท่านั้นหนออย่างนี้ว่าหนอถูกหนอถูกหนอผิดนั่นทําไปตามความรู้สึกตามมันสํานึกของคนที่ไม่รู้อะไรว่าเดินหนอเดินหนอเดินหนอมันเน่นว่ากูเดินหนอแต่เดี๋ยวนี้มัน รู้สึกว่าสักว่าอิริยาบถเดินเท่านั้นหนอมันเน้นความที่ไม่มีกูพูดเดินไม่มีกูพูดเดินมีแต่การเดินหรืออิริยาบถเดินนี่อย่างนี้เรียกว่านอถูกยืนก็เหมือนกันสักว่าอิริยาบถยืนยืนเท่านั้นหนอแล้วก็ว่ายืนหนอไม่ใช่กูยืนหนอ มันจะมีผลตรงกันข้ามไปคนละทิศละทางทางหนึ่งมันจะย่อมหนักออกไปว่ามีกูผูเดินหรือมีกูผูนั่งทางหนึ่งมันจะสลายออกไปว่าไม่มีไม่มีกูผูเดินภูนั่งมีจี ย, ยาบทนั่นนั่นเท่านั่นหนอนั่งกัเหมือนกันนอนเหมือนกันนี่เป็น ทาสติเลยไปถึงเรื่องอนัตตานั่งอยู่นี่ด้วยความรู้สึกว่าเป็นอริยาบทอันหนึ่งเท่านั้นหนาก็เป็นนั่งในจิตพว่างนั่งในจิตพระว่างไม่มีอนัตตาซ้อมความไม่มีอนัตตาตลอดเวลานั่ง เืวลานอนก็เหมืนกันมีสติสัมปชัญญะเป็นอิยาบทหนึ่งเท่านั้นหนอกําหนดอยู่อย่างนี้มันก็ไม่หลับไม่มันมันก็ไม่ชวนหลับไปเะมันก็กําหนดเพราะว่ามันบางทีมันก็ต้องนอนเมื่อยังไม่หลับมันก็กําหนดอย่างนี้ถ้าว่าจะหลับมันก็ปล่อยมันหลับโดยสติมันไม่ขาดตอน สติมันก็มีจนกระทั่งถึงหลับพอหลับแล้วก็แล้วไปพอลุกมามันก็มีสติต่อไปอีกก็นอนหนอนอนนอ น, น, อนคือมันในอิริยาบถนอนมันก็เป็นอย่างนี้ฝึกไว้ว่าแม้แต่นอนก็นอนอย่างที่ไม่สูญเสียสติไม่ขาดสติเพราะมันมีสติจนกระทั่งเวลาหลับหลับแล้วมันไม่ทําอะไรพอตื่นมามันจะทําอะไรอีกมันก็ต้องกําหนดอีก นี่เรียกว่าติดต่อดูขาของสติได้เหมือนกันคำว่าหน อ, อนี่สมาธิแบบยุบหนอพองหนอเ็าทำกันมากให้เรามีอนาปานาสติสมบูรณ์แบบนี้แทนแทนแทนแบบยุบหนอพองหนอ เพียงแต่ขอยืมหนอมาใช้หน่อยแล้วแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ใช้ก็ได้นอหนอหนี่ไม่ใช้ก็ได้ทาไม่ชอบแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกอำนวยความง่ายได้มากเหมือนกันบางทีจะเลือกแต่คำว่านอหรอก็หนอห น้อคำเดียวก็ได้เท่านี่นอเท่านั้นนอไม่มีการเดินไม่มีอะไรก็ได้คือจะไม่ยึดถือในการนั่งนอนยืนเดินด้วยซ้อีกก็ยิ่งดีสักว่าอิริยาบถหนึ่งเท่านั้นนอไม่อยากจะเป็นยืนเป็นเดินเป็นทางนี้ก็ยิ่งดีสักว่าอิริยาบถหนึ่งเท่านั้นนอมันจะเคลื่อนไปเปลี่ยนไปอย่างไรที่ไหนก็สักว่าอิริยาบถหนึ่งเท่านั้น น, นอ <c oughs> เดินจากที่นี่กว่าจะไปถึงสวนนอกทำได้มากทีเดียวนะถ้าใครทำได้โดยไม่ขาดตอนมันก็เก่งมากเพราะมันมีอะไรแทรกแซงที่นี่ก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเอาเอาเอ า, เอาสติอันไหนมาระวังความปลอดภัยอะโอ้เรื่องนี้ไม่ต้องตัว จิตใจมันเร็วมากมันสงคัญมากแม้มันจะกำหนดอยู่อย่างนั้นถ้ามีอะไรเข้ามาเป็นอันตรายมันก็ยังหลีกได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโดยไม่ต้องสูญเสียความกำหนดธรรมะที่กำหนดอยู่ในใจนี่จิตมันเร็วมากี่ต้องทาได้อย่างนี้ เหมือนกับว่าเราถูฟันไปพลางเนี่ยจิตใจก็คิดถึงอะไรก็ได้แล้วก็ยังถูฟันได้ไม่ถูผิดผิดถูกถูกแล้ว ถ, ถูอย่างถูกนะฮะสติก็ทําได้ในการถูฟันในการคิดนึกอะไรได้ฮะเพราะว่ามันจิตมันเป็นของไว <c oughs> มันติดต่อกันได้ไว <c oughs> เราก็จะเดินได้โดยปลอดภัยไม่ชนไม่ หกล้มไม่ถูกรถทับไ่ถูกกัน <c oughs> ไม่ใช่เดินอย่างหลับตามันเดินเดินอย่างลืมตาแล้วมันเดินด้วยสติ <c oughs> บางทีมันจะละเอียดละออดีกว่าจะอี <c oughs> ที่นี่ก็มีถึงว่าไม่สูญเสียพ้นอย่างเดียวกันในการปฏิบัติวิปัสสนาแล้วก็มีการศึกษาแในความรู้แจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกขั้นตอนหายใจอยู่อย่างไรมันก็รู้อ น, อนิจจังทุกขังอนัตตาของลมหายใจเดี๋ยวนี้ มาเดินยืนนั่งนอนอยู่ก็ไม่ไม่เสียไอ้ความรู้เรื่องอันนี้จังทุกครั้งตาอยู่ทุกขั้นตอนด้วยเหมือนกันคือมันอยู่ในนอนั่นแหละในคบว่านหนอถ้าฉลาดก็แปลแป ล, แปลความหมายคำว่า น, นอทีมันนออะไรอ่ะมันนอห น, อนื้อ ความรู้สึกที่เห็นจริงอ่ะที่เห็นแจ้งเห็นจริงในห้เนอะในอีสาบทเดินก็ได้แต่มันก็เนอในความรู้สึกว่าที่เดินนี่มันก็คือไม่เที่ยงอย่างหนึ่งแล้วก็มันไม่ใช่กูเดินมันไม่ใช่กูเดินมันเนอะในอนัตตาอยู่ด้วยเหมือนกัน ก็ะทั้งว่ามันจะเห็นว่าอันนี้จังนี่ม็มีความทุกข์อยู่ในตัวก็เลยเห็นได้ทั้งอันนีจังทุกขังอนัตตาเป็นความรู้สึกส่วนลึกที่นำมายอมแก่จิตใจให้มีสติปัญญาเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตามาก กว่าธรรมดามากกว่าธรรมดาเป็นจะพูดได้ว่าอุ้ยมันรู้สึกตอนนี้จังทุกครั้งอตาคตจะทุกอิรยาบททุกเวลาทุกสถานที่แล้วมันทุกวินาทีหรือทุกครั้งที่หายใจออกเ้าแล้วก็ทุกกระเบียดนิ้วทุกกระเบียดนิ้วของเล็กที่สุดทุกวินาทีทุกอีก ทุกกระเบียดนิ้วมันรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อม <c oughs> ถ้าปฏิบัติชนิดที่มันแยกซอยละเอียดออกไปซึ่งจะต้องกินเวลาพอใช้เหมือนกันนะกว่าจะทำได้ <c oughs> ที่นี่ก็จะพูดถึง การจำการแยกซอยนะจำแนกแยกแยกซอยออกไปให้มันเป็นส่วนน้อยน้อยน้อยนอยน้อยยกตัวอย่างอิริยาบถเดินตัวอย่างที่พูดแล้วเมื่อกี้ แยกซอยออกไปได้เท่าไรมันก็เท่ากับศึกษาที่จริงทุกครั้งอนัตตาเท่านั้นด้วยเหมือนกันเดินหนึ่งเดินนี่คือหนึ่งอริยาบทหนึ่งอริยาบทแยกมันเป็นสองกว่ายกเหยียบมันก็ได้สองน่นั้น มันถ้าจะแยกให้มายกขึ้นมาแล้วย่างออกไปแล้วเหยียบลงไปน่ก็เป็นสามเยยกขึ้นมาเรียมที่จะย่างออกไปก็ย่างออกไปก็ล้มก็เป็นสี่นี่เป็นห้าเป็นหกแล้วแต่ฉลาดแค่สี่สี่หรือห้านี่มก็มากพอ อ, กอยู่แล้ว <c oughs> จะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอจะยกหนอจะย่างหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอสุดแล้วจะจะย่างไปคือเสอยไปข้างหน้าแล้วก็หยุดแล้วจะลงหนอก็ลงแล้วถึงแล้วยกหนอยกขึ้นแล้วย่างไปแล้วหยุดแล้วจะลงหนอก็ลงแล้วแี่แรกจะจะแยกออกไปมันมาก แต่ก็ไม่ใช่ทำให้มันเกินป่าเหตุหรือแกล้งทำให้มันลำบากเอาตามสมควรเขาก็นิยมกันเพียงว่ายกย่างเหยียบความรู้สึกอย่างเดียวกันความรู้สึกมาสักว่าอิริยาบทไม่มีตัวปู้เป็นอนิจจังพเพราะเปลี่ยนแปลง เป็นทุกขังพระต้องทนเป็นอนัตตาพระบังคับไม่ได้ที่จะยืนจะยืนก็รู้สึกว่าจะยืนแล้วก็อะไรก็กดขาลงไปแล้วก็ยืนขึ้นมาก็ยืนแล้วยืนเสร็จแล้วเป็นสามจังหวะอย่างนี้ก็ได้จะเดิน แล้วจะเดินแล้วก็จะยืนแล้วก็จะนั่งนี่เพราะว่าจะจะเปลี่ยนจากเดินมาเป็นนั่งก็ ร, รู้อย่างเดียวกันก่อนที่จะเปลี่ยนจากนั่งไปเป็นเดินนั่งแล้วรู้สึกว่าจะยืนรู้สึกว่าจะยืนซะก่อนแล้วยืนแล้วก็ยืด ย, ย, ยืนขึ้นไปแล้วก็ยืนแล้ว เยืนอยู่แล้วจะนั่งลงก็รู้สึกเปก่อนว่าจะนั่งแล้วก็ลงมาแล้วก็นั่งแล้วก็รู้สึกจะนอนขึคค้นเหมอนเดียวนี่มันก็จะนอนใครจะนอนโดยวิธีที่สะดวกยังไงก็ว่าจะนอนจะนอนมันก็มือคำมือคำคำหนอแล้วก็เอ็นตัวลงไป นอนแล้วถึงที่นอนถึงพื้นนอก็นอนนอนนอนมันก็มือทำเล่นใครไม่รู้เรื่องก็คิดว่าคนบ้าแต่จริงมันไม่ใช่คนบ้าแต่มันคนที่กำลังฝึกอะไรอยู่อย่างมีเคล็ดมีเทคนิคนนอนกนั้นก็มันจะต้องทะ การฉันก็สำคัญมีปัจจเวกเกี่ยวกับการฉันอยู่โดยไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดทียะนั่นเป็นสิ่งที่ต้องทำโดยทั่วไปเป็นปัจจเวกขภาว น, นาที่เฉพาะอิริยาบถฉัน้ว ร, รู้สึกว่าจะฉันเตรียมตัวที่จะฉัน รู้สึกตัวทัวพร้อมจัดฉันไม่ใช่ให้ความหิวพาไปไม่ใช่นันก็ทำทุกอิรยาบทแหละเอาเอาบาตรมา เ, าเอาบาตรที่มีอาหารมานั่งวางลงอย่างไรจะหยิบอย่างไรจะทำอย่างไรให้เป็นคํคๆแล้วจะใส่ปากอย่างไรก็แล้วก็อ้าปาก แล้วก็ใส่ปากแล้วก็เคียเค้ยวเคี้ยวเหยื่มีความรู้สึกทุกครั้งที่เคี้ยวแล้วก็ต้องกลืน น, ล น, นี่อิรยาบทที่ถูกย่อยและเอียดออกไปในเรื่องกินที่นี่มันก็เรื่องอาบอาบในลำธารหรืออาบในห้องน้ำก็ดูเอาเอง มันจะเข้าไปเตรียมจะอาบน้ําจะอาบน้ําจะอาบน้าบนํอาอำแล้วก็มันจะหยิบขันน้ําหรือว่าจะเปิดก๊อกน้ํามันก็แลกแต่เรือ่องมันรู้สึกตัวตั้งแต่แรกเข้าไปก็ะทั่งผัดผ้าลัดผ่อนอะไรานนี้แล้วก็ ตกัตกรถก็ตักรถด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็รถลงไปด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็รู้สึกนี่ในน้ําความเย็นของน้ําด้วยสติสัมปชัญญะตลอดเวลาเหล่านั้นถ้าเป็นนักเลงนักเลงมันก็รู้สึกในความเย็นของน้ํารู้สึกในความ ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงในเวทนาในอะไรที่มันเกิดขึ้ น, น, นมันละเอียดออกไปต่อมือเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องนั้นๆแล้วก็จะทำได้เดี๋ยวนี้ใหม่นะักคงจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีความรู้สึกอะไรได้บ้างก็รู้เลยว่ามันรู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกอย่างนั้นอย่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ไม่รู้สึกโดยไม่รู้สึกเสียก่อนนี่มันก็ เรียกว่าที่ยึดแล้วก็ไม่ละจากกันเหมือนกันนะเรียกว่ากัดไม่ปล่อยมันรู้สึกเอยู่ไปตลอดเวลารู้สึกไปตลอดเวลาคําว่ากัดไม่ปล่อยนี่มันเป็นหยาบคายแต่ว่ามันมีความหมายเต็มที่มีสติติดไปกับอารมณ์ หรือนิมิต ท, ที่ปฏิบัติมันก็เป็นการถูกต้องถูกต้องถูกต้องไปหมดฮะนี่ทายจาระก็เหมือนการ้าเป็นนักปฏิบัติมันก็ต้องทำอย่างเดียวกันเน่ยถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติมันก็ทำอย่างที่เคยมาแล้วเลวอยอย่างเด็กๆทำนี่มันก็ไม่ต้องมีรู้เรื่องอะไร หรืออันภ า, านทรมันก็จะโมโหโทโซหรือมันก็โกรธใครด่าแช่งใครไปท้เลาะ ก, กับอุจาราก็ได้ถ้ามันมีโรคภัยไข้ขเจ็บมันถ่ายไม่สะดวกอะไรมันก็สูญเสียสติสมชัญญามันมีเคล็ดนะอุจารานี่แปลก ถึงเวลาถ่ายแล้วมันไม่ไ ม, ไม่มันไม่รู้สึกจะว่าจะถ่ายนี่ก็พยายามให้ถ่ายจนได้หถ้าไม่อย่างนั้นยุ่งหมดแล้ว <c oughs> มันจะเกิดไม่เป็นระเบียบขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งจนลําบากเรื่องถ่ายพยายามถ่ายมันเป็นระเบียบฉันจะพยายาบทไหนจะเข้าไปในห้องถ่ายหรือว่าจะนั่ง ลงไปจะทำอะไรก็ทําด้วยสติทังฆชัญาตหมดให้มันถูกต้องถูกต้องถูกต้องไ ม, ไม่สูญเสียวินัยเกี่ยวกับการถ่ายนแล้วก็มีธรรมะที่เกี่ยวกับการถ่ายฉันอย่าประมาทอวดดีไปแม้เรื่องถ่ายจาระก็มันยังมีทั้งธรรมะยังมีทั้งวินยัยเห็น เรื่องวินัยก็ศึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไรจะไม่ทำผิดทั้งในวินัยและทั้งส่วนธรรมะเมื่อถ่ายพาระเบ่งแรงนั้นไจะเพียงแต่ผิดวินัยมันให้โทษไอ้วินัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะมันมีโทษในการเบ่งแรงพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยข้อนี้ เป็นเสกียะไม่แบงไม่เบ่งไม่เบ่งแรงเบ่งแรงมันให้โทษมันช่วนให้เป็นริ์สะดวงหรือเป็นอะไรง่ายก็ได้เป็นโรคชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้นี่ก็พยายามมันก็ปลอบโยนให้มันค่อยๆ อ, ออกมาบางทีมก็เสียเวลามากกว่าธรรมดาก็มีแต่นานไปนานไปนก็ค่อยๆชินค่อยๆชินเมื่อทายจาราเป็น ระเบียบกำหนดเวลาสองเวลาอย่างนี้ก็ทำได้มันต้องออกมาได้ถ้าปล่อยไปตามเรื่องมันไม่เป็นระเบียบบางทีมันไม่ทายวันท้องวันก็ได้ <c oughs> ที่นี่อะไรจะพูด <c oughs> ก็รู้สึกซะก่อนว่าจะพูดจะพูดเรื่องอะไรก็ระวังวินัยเหมือนกันนะอย่าไปพูดหยาบคายอย่าไปพู ด, พดชนิดที่ไม่ควรเอจะพูด้าต้องมีความควบคุมไม่พูดขัดแยง้งไม่พูดอะไรนี้เป็นส่วนวินยัยแล้วก็พูดด้วยสติสัมปชัญญะทั้งโดยพยัญชนะและโดยความหมาย ระวังพูดแดยถ้อยคำที่สุภาพสติสมัชนิย่าระวังพูดแต่เรื่องที่ควรจะพูดอย่าอวดดีอยากจะอวดแล้วก็พูดไปนี่เ่้อเจ้าต <c oughs> ้อง ก, การป้องกันในความเลวร้ายได้ทั้งส่วนวินัยะทั้งส่วนธรรมะนี่เรียกว่าจะพูดนี่ยกตัวอย่างมาเท่านี้ เรื่องอื่นๆก็ไปเทียบเคียงเอาเองจะไปทำอะไรที่ไหนในบาลีมีชื่อกว่าจะนิ่งรือซํำไปจะนิ่งก็จะหยุดพูดมีสติสมใหัญญยาหยุดควรหยุดเมื่อไรหยุดอย่างไรเราหยุดเรียกกันว่าทุกิยาบดเลยทุกิยาบดเลย แล้วก็ไม่สูญเสียไม่สูญเสียความรู้เรื่องอนัตตาเรื่องอนิจจงทุกครั้งอนัตตาแล้วมันจะเลยไปถึง อ, อ, อสุตยอดของไยตาตานถ้าปฏิบัติอยู่ในเรื่องอิทัปปเจตามันก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นเลยการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ ทุกขั้นตอนมันเป็นอิทัปัจจยตาเปลี <c> ่ย <oughs> นจากอย่างนี่ไปสู่อย่างนู่น <c oughs> มันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เปลี่ยนการเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยนี่เรียกว่าอิทัปัจจยตาศึกษาอิทัปัจจยตาในตลอดเรื่องหรือตลอดระยะที่มันเปลี่ยน <c oughs> ศึกษาธรรมจิตตาโอ้นี่มันงเป็นไปตามธรรมดาจริงเว้ย ต้องเดินยืนนั่ง น, นอนต้องกินต้องอาบต้องถ่ายต้องที่จะพิจารณานิยามาตามันเป็นกฎบังคับของใครก็ไม่รู้ของพระเจ้าหรือของอะไรอย่าไปไปตั้นแต่ว่ามันเป็นกฎธรรมชาติที่มันจะต้องทําให้ถูกต้องไม่จะนั่นจะเกิดเรื่องนะถ้าทําให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ธรรมนิยามแปลว่ากฎของธรรมชาติธรรมะธรรมชาตินิยามนิยามไปบทบัญญัติคือกฎทีนี่ก็จะเห็นสุญญาตาสุญญาตาก็เราตา้องกําหนดความไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนตัวตนอยู่ทุกน้อหนอ้หนอนอ้นอน้อสุญญาตาว่างจากตัวตน นล้วมันจะสูงสุดโอ้ยนเช่นนี้เองตาตาตาตาที่จะรักษาอาตมมยตาไว้ได้ไม่ถูกอะไรไม่ถูกปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ถูกอารมณ์ข้างนอกปรุงแต่งไม่ถูกอารมณ์ข้างในปรุงแต่งไม่เกิดกิเลสตัณหาพาทานปรุงแต่งที่สุดนะมันก็สุดแค่นะั้นแค่อตตาตมมัจา อธิบายนี้มันมากไปแล้วมันสำหรับผู้แตกฉานในธรรมะที่จะปฏิบัติได้อย่างนี้ไอนน้แรกทำอย่างนี้คงจะทำไม่ได้แต่ก็ควรจะรู้ว่าให้ว่ามันทำได้ถึงอย่างนี้พื้นฐานของการปฏิบัติสมจรันรนี่มันมีหัวใจอยู่ที่เห็นอนัตตาเห็นอนัตตา เป็นการเห็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลานะั่นแหะมันประเสริฐสุดด้วยสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่อำนวยให้ทำได้ทำได้เพราะมีสติสัมปชัญญะเราจึงฝึกสติสัมปชัญญะพร้อมกันไปในตัวกับสิ่งที่เราต้องการจะให้มีนะี่ จะมีสติสัมัชัญย่าในอะไรก็ฝึกสิ่งนั้นไปพร้อมด้วยสติสมชัชญยญ์ย่าท่านจึงฝึกไปตั้งแต่ว่าหายใจตั้งแต่ว่าเดินยืนนั่งนอนกรทั้งว่าพอิริยาบทนี่ทําไมต้องพูดเรื่องอิริยาบทเพรามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากแล้วก็ใหญ่โตเหมือนกัน่เพราะเดี๋ยวนี้มันต้องเรียนอริยาบท จะปฏิบัติอนาปานสติเจะทั้งวันทั้งคืนนี่มันก็มีตั้องต้องมีการเปลี่ยนยาบทให้เลยต้องรู้มันเสียด้วยต้องปฏิบัติมันเสียด้วยเนี่ยขอให้ให้เห็นให้ชัดว่าไปปฏิบัติภาว น, นาไปเจริญภาว น, นานะั่นน่ะมันมันมี กี่เรื่องมันมีอย่างไรหัวใจของเรื่องเราเจะปฏิบัติอา น, นาปานสติถ้าอา น, นาปานสติมันดึงเข้ามาหาเข้ามาประกอบด้วยได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอิริยาบถมีสติในอิริยาบถเพระทุกอิริยาบถ ท, ที่มีอา น, นาปานสติภาวนา่า ทาะติจใจในอาณาปานสติภาวนาคันใบขั้นหนึ่งอยู่แม้ยืนอยู่ยืนพิงต้นไม้อยู่ยืนอยู่ก็ <c oughs> ก็ทําได้ไปยืนหายใจอยู่ก็ทําได้ไปยืนดื่มปีติปราโมทย์อยู่ก็ทําได้แม่นอนอยู่ก็ทําได้ถ้าเดินอยู่นะ่าก็ ถ้านักเลงก็ทำได้ถ้าเป็นนักเลงคือเ ก, ก่งหน่อยก็ทำได้เหมือนกันเดินอยู่โดย ไ, ไม่เสียอิรยาบทเดินไม่เสียสติสมัชชัญญาในการเดินแต่จิตใจมันก็รู้สึกอานาปานสติข้อใดข้อหนึ่งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นปีติและปราโมทนี่มันยิ่งง่าย วิธิปราหมณนี่เป็นความเย็นความแห่งความรู้สึกครอบครอบครอบรงครบความรู้สึกว่าทำได้เช่นเดียวกันเราทำได้เมื่อเราเดินอยู่เราคิดนึกอะไรได้เนี่ยใช่ไหมล่ะเห่นเราโกรธใครอยู่เมอเราเดินอยู่มันก็ยังโกรธนั่งอยู่ก็ยังโกรธนอนอยู่มันยังโกรธมันก็ทำได้ ล่างหน้าล่างตาถูฟันอยู่จิตคิดนึกอะไรก็ได้กินอาหารอยู่จิตคิดนึกอะไรก็ได้นะี่มันมันมันเก่งขนาดนั้นจนะิตว่าดวงเดียวรู้สึกอทีละอย่างก็จริงแต่มันไวมากจนสลับกันได้อย่างไม่รู้สึกทีนี่เราก็เรียกว่าไนะ ประสบความสาเร็จในการมีสติสมัชัญญะเป็นนายเป็นนายเนื้อกิเลสเนื้อนิวรันได้เพราะการมีสติถ้าสติมันกำหนดที่อะไรอยู่นิวรนมันเข้ามาไม่ได้อ่านจึงเรียกว่าสมาธิมันก็กำจัดนิวรนไปในตัว นิวรณอะไรอยู่หายใจอย่างกายสิทธิ์กสิทธทิทีเดียวนิวรณก็เปิดนี้ไปหมดการมิชันธะพยาบาทีนะมิธาอุท ธ, ธ, ธัจจะกุปตจาริย์มันจะมีสมาธิจริงหายใจทีเดียวก็เปิดนี้ไปหมดถ้ามันไม่มีสมาธิจริงก็ไล่ไม่ได้มันก็ไล่ไม่ไป <c oughs> ดังนั้นจึงต้องมีการ ว่าสีชํานาญอย่างยิ่งในการมีสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งในการมีสมาธิอย่างยิ่ง <c oughs> ในการใช้ปัญญาด้วยสัมปชัญญะอย่างยิ่งมันก็เต็มไปด้เคล็ดหรือเทคนิคทีละละเอียดละเอียด ละเอียดเหมือนกันแหะไม่แพ้วิชาการอย่างอื่นวิชากฎหมายวิชาอินญินเนียวิชามันมีเทคนิคทียิบละเอียดซับซ้อนอย่างไรให้เราทาําอาณาปานาสติภาวานาของเราก็มีอย่างนั้นแหละมันก็เก่งไม่แพ้พวกเหล่านั้นแต่ถ้าว่ามันโง่มันทําส่งเดชมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันะ มันทำพอเป็นพิธีก็มไม่มีอะไรมืนกันมัน ต, ต้องถูกวิธีวิธีอย่างมีเทคนิคแล้วก็สาเร็จประโยชน์แน่นอนนี่คือการประพฤติประมาจันที่มันละเอียดละเอียดมีผลเป็นนิพพานสมตามที่เรียกว่าเอากคัตตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เรามุ่งหมายพระนิพพานเป็นเป้าหมายปลายทาง้วยจิตทั้งหมด เมื่อมันมีเทคนิคหรืเคล็ดอย่างนี้ก็ต้องฉลาดให้พอกันนะที่อีกทางหนึ่งก็มีการตระเตรียมมีการตระเตรียมตามสมควรอย่างจะเดินสะดวกที่จะก็เดินจงกรมที่จริงก็คือเดินจงกรมก็แปลว่าเดิน <c oughs> ก็มีชีที่เหมาะสำหรับเดิน กำนดไว้ตรงนี้เหมาะหรือว่าตกแต่งเล็กน้อยพอเดินสะดวกไม่มีอันตรายเพราะว่าเราจะต้องเดินมืดมืดไม่ได้มีแสงไฟก็ยังเดินได้พวกที่ยึดมั่นถือมั่นละเขาก็ทำทางเดินจงกรมเคยไปเห็นหลอคนอนกรีตเรียบร้อยสวยงาม ตามความต้องการแล้วก็เดินบนนั้นนี่มันมากไปคือพอสมควรกันแล้วการเดินกลางดินนี่ตรงนี้่ท่านี่จากนี่ถึงนี่กำหนดว่ายตาดเสียมว้ายกวาดว่ายอะไรว้ทุกอย่างก็มีการตราดเรียม ให้เกิดความสะดวกในการึปฏิบัติถ้าต้องเทียงถึงกระท่อมกระต้บกระทั่งก็ทำทำได้สรุปความว่า <c oughs> เรื่องนี้ไม่ใช่สยศาสตร์ อย่าทำไปเพื่อความครั้งความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฟาธีหานดีกว่าคนอื่น <c oughs> รู้แต่เพียงว่าเป็นเกลอกับธรรมชาติเข้าถึงส่วนลึกของธรรมชาติพักล่วงเอาความลับของธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์แ <c oughs> ม่คนที่อยู่ที่บ้านที่เรือนมี บ้านเรือนอยู่เอองัก็ขอได้มีสติสมัญญาทุกอิริยาบถ ท, ทุกวินาทีเถลยอยู่ในห้องทํางานอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องครัวอยู่ในห้องนั้นปฏิบัติได้ที่บ้านนั่นแหละจิตจดจ่ออยู่ในการปฏิบัติแล้วอารมณ์อื่นมันก็ไม่รับเองแหละ ถ้าคุณมากำหนอดอยู่ที่ลมหายใจมันก็ไม่ได้ยินเสียงอื่นที่มันมาอยู่ข้า ง, างๆเคียงๆแต่มันค่อนข้างจะทำยากสำหรับผู้ที่ยังไม่ทำได้ยังทำไม่ได้ยังไม่เก่งยังไม่เชี่ยวชาญยังไม่ชำนาญมันทำยากรจึงมักจะเน้นการหาสถานที่สงบสงัดแต่ถ้ายึดถือมากเกินไปก็ไม่ได้เหมือนกัน อยู่ที่ไหนทำที่ตรงนั่นให้มันสงดปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดอะไมันก็กลายเป็นสงดกลายเป็นที่สงบได้ตามที่ต้องการแม้ว่าเราเดินทางอยู่ในรถในเรือในอะไรเราก็ทำได้พระที่เป็นนักเลงวางองค์เขามีแว่นตาดำ พอเขาอาจจะไปทำในรถในเรือที่คนแน่นอาเทียนนะเขาสวมแว่นตาดำเพื่อเ <c oughs> พื่อไม่ให้คนขาเห็นว่าทำอะไร <c oughs> นี่ก็เรียกว่ า, ด, <c oughs> า, าดีเหมือนกันนะอาจจะดีเกินไปก็ได้ถ้าบ้านของคุณอยู่ข้างโรงสี <c oughs> คุณก็เป่า น, นกหวีดอยู่ข้างในฟัง ไม่ได้ยินเสียงเครื่องเครื่องรสีที่อยู่บ้านติดกันอย่าไปทะเลาะกันให้อารมณ์แวดล้อมข้างนอกเหล่านี้เลยสำเร็จได้โดยมีสติสัมปชัญญะที่เข้มข้นคมเฉียบนั่นเป็นนั้นว่าเราได้พูดถึงอนาปานสติแล้วก็เลยพูดถึงอริยาบทด้วยเพราะมันเนื่องกันอยู่ ขอยมีความรู้ความเข้าใจเอาไปใช้ได้แม่ที่อยู่คนอยู่บ้านอยู่เรือนยังไม่ได้บวชไม่ต้องเสียใจทำได้คอยทำกันแล้วกันทำได้ที่ไหนก็เป็นที่สงบสงัดขึ้นมาที่นั่นแหละเก่งจริงทำกลางโรงละคร <S <S ก็ทำได้นั่นละครยุติการบรรยายเรื่องขนวกคืออิริยาปทถปรับ พระก็ะมาแทรกแสงในอานาปานสติสมควรแต่เวลาแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วพอยึดถือการบรรยาย